มีเจตนาอย่างเดียวเป็นมูลหมวดที่4ภิกษุจงใจพยายามเพื่อเป็นบุญและเพื่อบูชายันน้ําอสิจิเคลื่อนต้องอบัตสังคาทิเศตภิกษุจงใจพยายามเพื่อเป็นบุญและเพื่อจะไปสวรรค์เพื่อเป็นบุญและเพื่อสืบพันุ์เพื่อเป็นบุญและเพื่อทดลองภิกษุจงใจพยายามเพื่อเป็นบุญและเพื่อความสนุกน้ําอสิจิเคลื่อนต้องอบัตสังคาทิเศต ภิกษุจงใจพยายามเพื่อเป็นบุญและเพื่อความหายโรคเพื่อเป็นบุญและเพื่อความสุขเพื่อเป็นบุญและเพื่อเป็นยาภิกษุจงใจพยายามเพื่อเป็นบุญและเพื่อเป็นทานน้ำอสุจิคเคลื่อนต้องอาบัตสังฆาทิเศษ